มีญาติโยมในวงการปฏิบัติยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสับที่ใช้ในการปฏิบัติมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆว่าไปนั่งสมาธิไปนั่งกรรมฐ า, านไปนั่งวิปัสสนาต่างกันอย่างไร ก็วันนี้จะลองอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานงานคำว่ากรรมแปลว่างานฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมฐาน แปลว่าที่ตั้งของงานงานนี้คืองานอะไรคืองานพัฒนาจิตใจคำว่าการพัฒนาจิตใจนี้ก็มีคำของเขาการพัฒนาจิตก็เรียกว่าจิตตภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาทำให้สิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมา เรียกว่าพัฒนาพัฒนาจิตจิตตาพัฒนาจิตพัฒนาจิตตภาวนาก็เรียกว่าการพัฒนาจิตพัฒนาจากจิตบุตุชนให้เป็นเสอจิตของพระอริยะเจ้าการที่จะพัฒนาจิตให้เป็นจิตของพระอริยเจ้าอริยะเจ้าจิตที่หลุดพ้น จากการเวียน่ายตายเกิดได้ต้องมีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการเจริญสมาธิการทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาให้สักตวรรุเรียกว่าสมาธิ การเจริญสัมวิปัสสนาภาวนาก็คือการสอนจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงของเขาเพราะจิตที่ยังไม่ได้รับการเจริญทางวิปัสสนาภาวนายังเป็นจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะความหลงที่ยังไม่เห็นสภาวธรรม ตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาภาวนาขึ้นมานี่คือเรื่องของงานของจิตจิตตภาวนามีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการเจริญสมาธิหรือการนั่งสมาธิ วปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาแล้วกรรมฐานนี้มีอะไรบ้างที่สามารถอำมาเป็นที่ตั้งของการเจริญสมถะ ภ, ภาวนาหรือของการเจริญวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าส่งระบุไว้สี่สิบชนิดด้วยกัน บางชนิดก็เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาคือของความสงบบางชนิดก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ทรงแบ่งไว้เป็นหมวดหมวดหมวดใหญ่ๆมีอยู่สามคือหมวดอนุสติคำว่าอนุสติก็คือการระลึกรู้ถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติอนาปนาสติมรณานุสติกายะกตาสติอันนี้เป็นการเอาอารมณ์เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาตั้งไว้ในใจให้ใจเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเช่นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไป เรียกว่า พ, พุทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาจะทำให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าใช้อนาปนานสติควบคู่ไปกับมารณ า, านุสติอันนี้ก็จะเป็นทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานุนว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ระลึกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นการจเจริญส ม, มถาภาวนาควบคู่ไปกับวิปัสสนาภาวนา นี่ก็คือกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์กากับจิตให้เป็นสมาธิก็ได้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้อยู่ในหมวดของอนุสติมีอยู่1ิบประการหมวดที่สองเรียกว่าเกษีสิบเป็นหมวดที่เราใช้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์เช่นใช้ธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาเป็นอารมณ์ให้เราเลึกถึงธาตุดินแล้วให้ปรากฏขึ้นมาในจิตของเรามองไปในจิตก็เห็นแต่ดินเช่นแผ่นดินเป็นต้นธาตุน้ำก็ราเลิกถึงแม่น้ำน้าทะเลน้ามหาสมุทรเราเลึกถึงธาตุน้ำธาตุลมก็ลมที่พัดไปพัดมา ทาภไฟก็คือไฟที่ลบไม่หรือจะใช้สีก็เพ่งเช่นสีสเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองอันนี้ก็เป็นการใช้วัตถุใช้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อดึงใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้อยู่ในสมาธิ กสินสิบนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาคือจะทำให้จิตสงบแล้วก็มีบวดที่สามที่เรียกว่าอสุภสิบประการก็การพิจารณาซากศพสิบชนิดด้วยกันสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเวลาคนตายเขาจะเอาไป ทิ้งไว้ในป่าชาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังปล่อยให้ให้ให้เสื่อมให้หายไปตามตามธรรมชาติเราก็จะเห็นมีศพชนิดต่างๆศพที่ตายใหม่ขึ้นเอ่ดพองขึ้นมาส บ, สบศพที่เขียวคล้ำศพที่แยกเป็นชิ้นๆ ศบที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยมีมีแรงกามีสุนัขมากัดกินศพที่แห้งกรอบศพที่เหลือแต่กระดูกนี่คือกรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอสุภะกรรมฐานกรรมฐานชนิดนี้จะเป็นกรรมฐานที่ ให้เกิดปัญญาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาถ้าใครอยากจะได้ปัญญาอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นจริงของร่างกาย mm hmm. ก็ให้พิจารณาอาสุภสิปการ mm hmm. นี่คือหมวดสามหมวดใหญ่ๆมีหมวดละสิบด้วยกันแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพรมวิหารสี่ คือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์อย่างที่เรามักจะนิยมทํากันเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เราก็จะแผ่เมตตาด้วยการสวดสเปสัตตาอเวราหหนตุสเปสัตตาอัปยาปัจชาโหนตุสเปสัตตาอานิกาหหนตุ สัปเเสัตตาสุขีอัตนานภะริหานตนุอันนี้ก็เป็นหมดของเมตตาภาวนาสวดไปแล้วเราก็ต้องทำเราต้องเข้าใจความหมายของคําที่เราสวดว่ามีความหมายอย่างไรแล้วก็ต้องทําใจให้เป็นไปตามความหมายนั้นเช่นสัปเเสัตตาอเวราโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิด เราก็ต้องทำใจของเราไม่ให้มีเวรมีกรรมกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายใครเขาจะพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็จะไม่มีเวรกับเขาเราจะให้อภัยเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันใครด่าเราเราก็จะไม่ด่ากลับใครตีเราเราก็จะไม่ตีกลับ เราจะสาธุเราจะให้อภัยอย่างนี้เรียกว่าเมตตาภาวนาการุณาก็คือขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เถิดเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอเราพอมีกำลังที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้ก็ช่วยเหลือดูแลกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่ การุณามุดิตาก็ให้ยินดีกับความสุขความเจริญของสอรพสัต ท, ทั้งปวงกายได้ดีได้ดีก็อนุโมทนาสาธุชื่นชมยินดีอุเบกขาก็ทำใจให้เป็นกลางตราสะจากอคติสีคือรักชังกลัวหลงนี่คืออารมณ์ของกรรมฐานที่เรียกว่า พรหมวิหารสี่แล้วก็ยังมีอรูุปสีคืออารมณ์ของอรูปฌานทั้งสี่ระดับแล้วก็มีอาหารเลปฏิกูลลสัญญาคือการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานกันเวลาที่อาหารมันอยู่ในจานนีมันดูแล้วมันน่ากินน่ารับประทาน แต่เวลาที่มันออกมาทางทวารหนักมันก็จะกลายเป็นอาหารเลยปฏิกูลไปอันนี้ก็มีไว้เพื่อกำจัดตัณหาความอยากกินแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาให้เห็นความจริงของอาหารว่ามันไม่น่ากินไม่จำเป็นจะต้องกินจน ก, การะทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มไป ถ้าเห็นอาหารเลยปฏิกูลแลสัญญาแล้วรับรองได้ว่าร่างกายจะไม่เป็นตุ่มอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งก่อนจะรับประทานอาหารก็มองอาหารที่อยู่ในจานแล้วก็นึกถึงอาหารที่อยู่ในจานที่มันจะเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเข้าไปในลำไส้แล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาทางทวารหนนะักถ้าคิดถึงสภาพของอาหารเห็นสภาพเดิน การเดินทางของอาหารที่น่าอาร ե ศอร่อยพอไปถึงจุดหมายปลายทางอาหารที่น่ากินก็กลายเป็นอาหารที่ไม่อยากจะกินไปก็จะทําให้พ้นจากความหลงไหลกับเรื่องของการรับประทานอาหารจะไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากจะรับประทานอาหารเพื่อเยียวยารักษาร่างกาย เพื่อดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเวลาร่างกายหิวก็กินถ้าไม่หิวก็ไม่กินมันจะไม่มีความอยากกินเพราะเวลามีความอยากก็ให้เจริญอาหารเลยปฏิกูและสัญญาไปแล้วมันก็จะไม่มีความอยากกินเมื่อไม่กินมากๆ ม, มันก็ไม่มารบกวนใจเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาหานอน เวลาเดินจงกรมก็จะไม่เกียดข้านถ้ากินมากๆอิ่มแล้วก็ไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากเดินจงกรมนั่งก็สับประกอยากจะนอนอันนี้ก็เรียกคือประโยชน์ของการพิจารณาอาหารเลยปฏิกรลสัญญาจะทำให้สามารถรักษาศีลระดับที่สูงได้ ผู้ที่รักษาศีลที่สูงคือศีลแปดนี้จะต้องรับงดเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าไม่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจะทนไม่ไหวถึงเวลาเย็นก็หิวขึ้นมานึกถึงแต่อาหารที่มีอยู่ในจานไม่เคยนึกถึงอาหารที่ออกมาจากทวาวรหนักเลยแต่ถ้าฝึกเจริญอาหาเลปฏิกรรสัญญาอยู่เรื่อยๆ นึกถึงอาหารเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในปากที่มันถูกขบเคี้ยวผสมด้วยน้ำลายนึกถึงอาหารที่มันเข้าไปในกระเพาะนึกถึงอาหารที่อยู่ในลำไส้นึกถึงอาหารที่ออกมาจากลำไส้ออกมาทางทวารหนักมันก็จะทำให้กำจัดความอยากกินได้ทำให้ไม่หิวโหวยความหิวมันมีสองอย่างหิวทางกายกับหิวทางความอยาก ยิวทางความอยากนี่เราสามารถกำจัดได้ด้วยอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าเราใช้กรรมฐานนี้เราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดศีลที่สูงกว่าศีลห้าได้เพราะว่าการจเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นจำเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุน ถึงจะสามารถเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิผลนี่คือคําว่ากรรมฐานอั้นคำว่าไปนั่งกรรมฐานก็แปลว่าเนี่ยไปใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาควบคุมใจให้สงบหรือให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าใช้พุทโธพุทโธก็จะทาให้ใจสงบเป็นสมาธิ เหมือนกับเป็นการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งสมาธิหรือถ้าเราจะใช้กรรมฐานที่เป็นปัญญาเช่นมารณ า, านุสติกับอนาปณะสติหายใจเข้าก็ว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย อาณาปณะสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกมรณ า, านุสติก็ให้ละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสองกรรมฐานควบคู่กันไปอาณาปณะสติควบคู่กับมรณ า, านุสติถ้าเห็นความตายมันก็จะไม่ไ ม, ไม่โลภไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร อยากจะให้ใจสงบเท่านั้นเองเพราะเวลาที่นึกถึงความตายแล้วมันเครียดมันไม่มีความสุขมันไม่อยากได้อะไรมันอยากจะได้ความสงบถ้าอยากจะได้ความสงบก็ต้องระลึกถึงลมหายใจเข้าออกควบคู่กับความตายแล้วมันจะมาหยุดความเครียดที่เกิดจากความโลภได้ เวลาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอคิดถึงความตายปั๊บนี่ความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหายไปเลยเพราะว่าตายไปก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้อีกสามเดือนนี่จะไม่โรคจะไม่อยากได้อะไรแล้วอยาอยากได้ความสงบอยากจะได้ความ ไม่เครียดกับความตายออก็ต้องมาเจริญส ม, มะถะภาวนาถ้ายังคิดถึงความตายแล้วเครียดก็อย่าเพิ่งไปใช้มรณานุสสติให้ใช้พุทธานุสติไปก่อนแล้วเลกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความตายออพอไม่ไปคิดถึงความตายใจก็สงบหายทุกข์ หายกลัวตายพอใจสงบแล้วก็สามารถที่จะคิดถึงความตายได้คิดเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ใช้กระสินคือดินกระสินดินน้ำลมไฟมาเป็นอารมณ์กำนดดูร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินเป็นเพียงก้อนดิน ผสมกับน้าผสมกับลมผสมกับไฟจึงทําให้เกิดอาการสาสองขึ้นมาอาการสามนี้ก็กายกตาสติการพิจารณาอาการสาสสองของร่างกายก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาภาวนาเป็นกรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอานุสติสิบกายกตาสติก็ดูอาการสาสองของร่างกาย เช่นดูว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตมีผังผืกมีลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะ แล้วก็มีน้าต่างๆเช่นน้ำดีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำเหนือน้ามันข้นน้ามันเหลวน้าลายน้ามูกน้าตาน้าไข่ข้อน้ามูดนี่ก็คืออาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายดูอาการต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเลยค้นหาตัวเราในร่างกายนี้ไม่มี ก็จะทำลายความหลงที่ไปยึดไปติดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราได้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกและเวลามันหมดลมหายใจมันก็กลายเป็นอสุภสิบขึ้นมาเป็นซากศพสิบชนิดขึ้นมาเป็นศพที่ขึ้นอือดเป็นศพที่เขียวคล้ำ เป็นศพที่ขาดเป็นชิ้นเป็นอันไปในเวลาตายไปถ้าไม่เราไปเผาไม่เราไปฝังปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นอื่นแล้วน้าน้าต่างๆมันก็จะไหลออกมาน้ำเหลืองน้ําอะไรที่อยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาทิ้งไป น, นานๆร่างกายมันก็จะแห้งกรอบอผุเปื่อยกลายเป็นดินไป เป็นการแยกของดินน้ำลมไฟที่มารวมกับการในร่างกายที่ทำให้เป็นอาการสามสิบสองพอตายไปอาการสาสิบสองก็เปลี่ยนเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาดังนั้นขอให้ท่านจงเข้าใจคา วความหมายต่างๆเหล่านี้ว่ามีความหมายอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมันมันมันอยู่ร่วมกันเวลาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติ ป, ตปัญญานั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนามันก็เป็นงานของการพัฒนาจิตใจพัฒนาจากบุถุชนที่มีความโลภโกรธหลงมี กามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาให้ไปสู่จิตของพระอริยเจ้าที่ไม่มีความโลภโกรธหลงที่ไม่มีกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาที่จะทำให้จิตหลุดพ้นออกจากวัตตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาแก่กับความเจ็บความแก่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไป นี่คือเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี้สอนกรรมาฐานสี่สิบให้เราใช้เป็นอารมณ์กล่อมใจใช้เป็นอารมณ์สอนใจไม่ให้รุ่งหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายของเราหรือสิ่งต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้น สิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราันาดนี้ก็ประกอบมาจากดินน้ํำลมไฟศาลาที่เรานั่งอยู่นี้ก็ทํามาจากดินน้ํำลมไฟต้นไม้ใบหญ้ า, าที่อยู่บนเขานี้ก็มาจากดินน้ํำลมไฟรถยนต์ข้าวของอะไรต่างๆที่ญาติโยมเอามาก็มาจากดินน้ํำลมไฟแล้วก็เป็นของชั่วคราวน ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเศษเหล็กเศษขยะไปนี่คือการศึกษาสภาวะความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อให้เราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดเพราะว่าความหลงความยึดความติดนี้ทำให้เกิดความอยากอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากให้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้มานี้ ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่ได้อยู่กับเราไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันพัดพากจากกันเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราของเราถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงว่าเขา แต่นอนี้จังไม่เที่ยงรู้ว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราเราก็ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาเป็นของเราไม่อยากให้เขาเ อ, อ, อยู่กับเราไปนานๆเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาไม่ได้เป็นของเราะการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาปลดเปื้องจิตใจให้ตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ด้วยความหลงที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นความหลงต้องมาสอนใจหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะต้องจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไป ใช่คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่เลยเป็นอะไรก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสดินมันวิเศษไหมน้ำมันวิเศษไหมลมมันวิเศษไหมไฟมันวิเศษไหมมันก็แค่ดินน้ำลมไฟแต่พอเราไปยึดไปติดมันก็เลยเป็นของมีคุณค่าขึ้นมา เช่นก้อนเพชรนี่มันมามันก็เป็นแค่ก้อนดินนี่เองพอทุกคนไปยึดว่ามันเป็นของดีก็เลยแย่งกันพอแย่งกันมันก็เลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นก้อนหินนี่ไม่มีใครไปแย่งกันไม่มีใครไปยึดกันมันก็เลยกลายเป็นของไม่มีค่าขึ้นมาความจริงมันก็เป็นแค่ก้อนดินก้อนหินนี่เองมันไม่มีคุณค่าอะไรกินก็กินไม่ได้อยู่ดีนี่คือเรื่องของกรรมฐาน เรื่องของวิปัสสนาเรื่องของปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมาผสมกันก็เลยทำให้เป็นวัตถุต่างๆขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นก้อนหินเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นอะไรต่างๆเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยฉน ของเรานี้ทามาจากธาตุสี่ทั้งนั้นดินน้หนมไฟแล้วเดี๋ยวไม่นานก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้หลมไฟนร่างกายของมนุษย์ทุกคนน่างกายของสัตว์ไดร้ราบาทุกตัวเดี๋ยวมันก็ต้องตายเพราะตายมันก็กลายเป็นซากศพไปมันก็เน่าเปื่อยไปต้าไปฝังดินมันก็กลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปมันไม่มีอะไรไม่มี อะไรที่เป็นตัวเราของเราตัวที่เป็นตัวเราของเราก็คือจิตนี่เองหรือใจนี่เองที่ต้องการมาศึกษามาพัฒนาเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเรานี่ไม่ได้เป็นธาตุสีไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟตัวเราเป็นธาตรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่เป็นธาตรู้ไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่เปลี่ยนเป็นมนุษย์ไม่เปลี่ยนเป็นเดรัจฉาน สิ่งที่เป็นมนุษย์สิ่งที่เป็นเดรัจฉานก็คือร่างกายร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรัจฉานอันนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเราใช้ปัญญาแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มี พระราชามหากษัตริย์ไม่มีประธานาธิบดีไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นของเหล่านี้เป็นเพียงแต่สมมุติที่เราไปปะไว้บนก้อนดินน้ำลมไฟแเราเอาป้ายนี้ไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้แล้วก็บอกว่าร่างกายคนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาป้ายไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้บอกร่างกายคนนี้เป็นประธานาธิบดี เอาป้ายอันนี้ไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้ว่าเป็นขอทานไปปะไว้กับคนนี้ว่าเป็นพระมันก็เป็นแค่ธาตุสี่ก้อนดินน้ํานมไฟที่มารวมกันแล้วก็มาเป็นอาการสามสิบสองที่แก่ต้องที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอตายไปมันก็กลายเป็นอไร่อยไปมันก็กลายเป็นดินน้ํานมไฟไปป้ายที่ติดไว้กับ ร่างกายนั้นก็หายไปกลายเป็นดินน้ำลมฝอไปไม่ไม่มีใครไปบอกว่าดินก้อนนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินดินก้อนนี้เป็นของประธานาธิบดีเพราะว่ามันก็เป็นดินเหมือนกันขี้เท่ามันก็เป็นขี้เท่าเหมือนกันจะเป็นขี้เท่าของประธานาธิบดีเป็นขี้เท่าของข้าทานมันก็เป็นขี้เท่าเหมือนกันนี่คือวิปัสสนา การรู้แจ้งเห็นจริงของความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงที่อยู่ในโลกธาตุนี้ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากธาตุสี่ดินน้ําหลมฝ่ายนี้เท่านั้นอแต่เราไปหลงกับสมมุติกันหลงว่าเป็นก้อ น, นก้อนพระเจ้าแผ่นดินว่าก้อนนี้เป็นก้อนของพระเจ้าแผ่นดินก้อนนี้เป็นก้อนของอประธานาธิบดีก้อนนี้เป็นก้อนของขอทาน มันก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีใครแตกต่างจากกันไปร่างกายของคนเราทุกคนเหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดผมผมก็เป็นผมเหมือนกันหมดจะเป็นผมของประธานาธิปดีแล้วเป็นผมของขอทานมันก็เป็นผมเหมือนกันตับตายไสพุงมันก็เป็นตับตายไสพุงเหมือนกัน มันเอาไปเปลี่ยนกันได้บางทีพระเจ้าแผ่นดินหรือประธานาธิบดีอาจจะต้องขอตับตของขอทานไปใช้ก็ได้เ <Yeah. S 1> ช่นเวลาขอทานตายแล้วขอทานบริจาคอาวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้กับผู้อื่นไปพอดี <Yeah. S 1> ประธานาธิบดีต้องการไตก็เลยเอาตายของขอทานมาใช้ก็ได้ <Yeah. S 1> มันก็ใช้ได้ yeah. เราจะขอบอกขอบใจขอทานสีกว่าโอ้โหดีเหลือเกินนะเธอเสียสละตายของเธอให้กับเรามันก็แค่เป็นอวัยวะท่านั้นเองคนเรามันไม่มีความแตกต่างกันในทางร่างกายแต่ทางสมมุติเราก็สมมุติกันไปว่ากันไปตามบทละครอย่างที่ได้พูดไว้ว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงละครสมมุติต่างๆนี้เป็นเรื่องของละครเป็นบทละคร พอมาเกิดปั๊บเขาก็กำหนดบทว่าคุณต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินคุณต้องเป็นขอทานคุณต้องเป็นนายกคุณต้องเป็นดาราภาพยนตร์คุณต้องเป็นนางงามจักรวาลคุณต้องเป็นนักธุรกิจคุณต้องเป็นหมอคุณต้องเป็นพยาบาลมันก็เอาไปปะไว้แล้วคุณก็ต้องแสดงตามบทบาทที่เขาปะไว้แล้วก็หลงไปคิดว่าเป็นพยาบาลจริงเป็นหมอจริง แล้วเดี๋ยวพอตายมันก็กลายเป็นกี้เท่าเหมือนกันหมดเวลากินข้าวก็กินเหมือนกันข้าวก็ข้าวเหมือนกันน้ำดื่มก็น้ำดื่มเหมือนกันลมที่หายใจก็ลมเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันในเรื่องของดินน้ำลมไฟนี่เหมือนกันหมดทุกคนแต่เราไปเราไม่เราไม่มองความจริงกันเราชอบไปมองสมมติกันเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมา กายเป็นกิเลสตันหากันขึ้นมาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันทุกคนอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันอยากจะเป็นพัฒนาทิพดีกันอยากจะเป็นนายกกันก็เลยต้องมาแก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ทําให้มาโกรธมาเกลียดกันมาเป็นข้าศึกศัตรูกันมาจองเวรจองกรรมกันเราได้อะไรก็ได้แต่ความทุกข์เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวไม่ช้ากัเร็วมันก็หมดไป ได้เป็นนายกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้องเลือกตั้งใหม่เป็นประธานาธิบดีไม่กี่ปีก็ต้องเลือกตั้งใหม่นันไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวถ้าพิจารณาด้วยวิปัสสนาแล้วก็จะหายหลงไหลกับสิ่งต่างๆเหล่ า, า, านี้แล้วก็จะไม่มีความอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้พะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปนั่นเองเวลาได้มาก็ดีใจ แต่เวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนคือความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีวิปัสสนาภาวนาไม่มีสมถะภาวน า, าถ้าผู้ใดได้มีสมถะภาวนาทําใจให้สงบแล้วจะมีความสุขก็จะไม่หลงไหลกับสมมุติต่างๆจะมีความสุขอยู่กับ ตนเองอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องเป็นปัธานาธิปดีไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นขอให้ทําใจให้สงบได้ที่เสียอย่างเดียวแล้วพอแล้วก็ใช้วิปัสสนาภาวนามาคอยเตือนใจสอนใจห้ามใจอย่าไปหลงกับสมมุติต่างๆอย่าไปหลงอย่าไปอยากเป็นปัธานาธิบดีเป็นนายก เป็นนัดมันตีเป็นเศรษฐีเป็นอะไรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียอกเสียใจสู้อยู่กับความสงบนี้ดีกว่าความสงบที่เกิดจากส ม, มะถะภาวนาความสงบที่เกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าใช้กรรมฐานอนุสติกรรมฐาน เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดใจก็สงบพอสงบก็เย็นสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวเมื่อไม่มีความหิวก็ไม่อยากได้อะไรใจที่ไม่สงบนี่แหละที่หิวที่โหยที่อยากได้อยากเป็นต่างๆได้มาแล้วเป็นแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้ไปนานๆ เวลาได้มาแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆพอไม่ได้เป็นก็เสียอกเสียใจอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นที่ไปหลงไหลกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปหลงไหลกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของตนเองสิ่งที่เป็นสมบัติของตนเองสิ่งที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนกับไม่มาหากันสิ่งที่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริง เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบนี่เองเรากลับไม่สนใจกันกลับไปหาของปลอมกันกลับไปหาความสุขปลอมเป็นหาความสุขที่ทที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องหมด พอเวลาร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายมันก็หมดไปพอร่างกายตายไปใจของเราที่ยังมีความหิวมีความอยากอยู่มันก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างความสุขใหม่อีกเวลาเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาก็มาตัวเปล่าๆพอเกิดมาแล้วได้ร่างกายก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาทรัพสมบัติข้าวของเงินทอง หาอะไรต่างๆไปแล้วก็ไปตายแล้วก็ไปทิ้งมันตอนที่ตายไปพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาหาใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้หาอย่างนี้มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแล้วก็จะต้องหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาเจอกรรมาฐานสี่สิบถ้าไม่ได้มาเจองานพัฒนาจิตใจ คืองานสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาการจะเจอกรรมฐานกิจเจสมถะภาวนาเจอวิปัสนาภาวนาได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะงานนี้เป็นงานที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบนั่นเองทรงค้นพบงานที่จะพัฒนาจิตใจจากบุถุชนให้เป็นพระอริยเจ้าจากจิตใจที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความโลภความอยาก ให้กลายเป็นจิตใจที่อิ่มตลอดเวลามีความสุขมีความพอตลอดเวลาที่จะตั้งไม่ต้องที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาหาราบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสเพื่อให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มันวิเศษกว่ามันเลิศ ก, กว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองเราจรึงต้องถือว่าเราเป็นนี่ของพระพุทธศาสนา เป็นที่ได้มาได้มีพระพุทธศาสนามาให้สิ่งที่วิเศษกับพวกเราคือให้กรรมาฐานสี่สิบกับพวกเราให้สมถภาวนากับพวกเราให้วิปัสสนาภาวนากับพวกเราที่จะทำให้จิตใจของเราเนี้ได้ได้พบกับสมบัติที่แท้จริงของเราได้พบความสุขที่แท้จริงของเราได้พบกับความสุขที่ทาวนของเรา ก็คือความสุขที่ได้รับจากการพัฒนาจิตใจด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองนี่คือบุญคุณอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีท่านทั้งสามนี้พวกเราก็ยังจะไม่มีวันที่จะรู้จักคำว่ากรรมาฐาน จะไม่รู้จักคำว่าสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาจะไม่รู้จักคำว่าจิตตภาวนาว่ามีความหมายมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะไปหลงกับสมมุติต่างๆหลงกับการเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นพระเป็นปานาทิปดีเป็นรัตตมณีเป็นมหาเศรษฐีเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆลุ่มหลงกัน เป็นบ้าเป็นบอกันแล้วได้อะไรมานอกจากความทุกข์ความสุขก็ได้เดี๋ยวเดียวตอนที่ได้มาก็ดีใจเลี้ยงฉลองกันใหญ่พอตายไปก็ซึมเศร้ากันเศร้าโศกเสียใจกันเอร้องห่มร้องไห้กันนี่คือเรื่องของกรรมฐานสี่สิทธ์เรื่องของการพัฒนาจิตใจกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงาน งานก็คืองานของจิตนี่เองงานพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี้ต้องใช้กรรมาฐานสี่สิบแต่ไม่ต้องใช้ทั้ง4ี่สิบชนิดเลือกใช้ชนิดที่เหมาะกับจริเของเราเช่นในอนุสติสิบนี้ก็เป็นเหมือนเมนูอาหารเวลาไปร้านอาหารเขามีเมนูมาให้เราดูเราก็ไม่สั่งมันทั้งทั้งหมดเราก็เลือกเอาอาหารที่มันถูกกับปากเรา เรากินอาหารเพื่ออะไรกินเพื่อให้อิ่มเราใช้กรรมาฐานเพื่ออะไรก็ใช้เพื่อให้มันทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขให้อิ่มเหมือนกันอย่างั้นถ้าเราถูกกับพุทธานุสติเราก็พุทโธไปถ้าเราถูกกับอาณาปณะสติเราก็ดูลมหายใจไปถ้าเราถูกกับกายกตาสติเราก็ดูอาการสาสองไปหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป้าดูกิริยาบท การเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อทําใจให้ว่างให้เยน็นให้สงบนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าอนุสติสําหรับคนที่ถูกจริตบางคนก็ชอบใช้วิปัสสนา อ, อ, อารมณ์ของวิปัสสนาเช่นระลึกถึงความตายพ่วเวลาเลืกถึงความตายแล้วใจมันสงบเร็ว ความโลภความโกรธนี้มันหายไปหมดพอคิดถึงความตายอันนี้ถ้าถูกเจริญกับความตายก็ใช้มรณาอนุสติไปเพื่อพัฒนาจิตใจเพราะว่าการพัฒนาการใช้กรรมฐานสี่สิบนี้เป้าหมายก็คือกําจัดกิเลสตัณหานี้ยเองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอมีกรรมฐานสี่สิบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายหลายอย่างมารวมมาช่วยกันก็จะสามารถกาจัดความโลภกดหลงกาจัดกรรมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีวิภาวะตัณหาไม่มีกรรมวตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีโลภกดหลงแล้วใจก็บริสุธิ์ผุดพอง ใจก็เป็นใจของพระพุทธเจ้าเป็นของพระอาหารหันต์ขึ้นมาใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นนั่นเป็นนี่อีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดีนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับกรรมฐานสี่สิบ ได้มารู้จักวิธีเจริญสมถะภาวนารู้จักวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติต้องไปทำให้ได้นั่นเองต้องไปเจริญกรรมฐานไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนา ถ้าเรามีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาอยู่ในใจแล้วกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเหมือนกับถ้ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีตารวจมียามคอยควบคุมดูแลพวกมิจฉาชีพทั้งหลายก็จะไม่มีมิจฉาชีพออกมาเพ่นพ่านถ้าไม่มีตารวจไม่มียามไม่มีรอปพเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพมันก็จะออกมาเพ่นพ่านกัน นี่คือเรื่องของใจของเราใจของเราก็มีพวกมิจฉาชีพที่มาก่อกวนมาสร้างความทุกข์สร้างข้อมวุ่นวายใจให้กับพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันจะคอยสร้างความลำคาญใจให้กับเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีวิปัสนาภาวนาก็เหมือนกับเราไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีรอปภม า, า, า, าคอยควบคุมพวกมิจฉาชีพมีแต่ถ้าเรามาเจริญสมถะภาวนามาเจริญวิปัสนาภาวนาได้เราก็จะมีรอปภที่จะมาคอยกำจัดพวกมิจฉาชีพต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปหมดได้อพอใจ พวกพวกมิจฉาที่หายไปหมดบ้านเมืองก็สงบใจเราก็สงบใจสงบแล้วก็มีแต่ความสุขเป็นความสุขที่ร ะ, ระดับประ ม, มาสุกคือเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือประโยชน์เรื่องของการที่เราได้มารู้จักกรรมฐานรู้จักงานของใจก็คือจิตตภาณา ว่ามีสองระดับมีสมถะภาวนาทําใจให้สงบให้มีความสุขแล้วก็วิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่มีไม่ใช่เป็นสุขเพื่อจะได้ไม่ไปเสียเวลาไปหามันมาให้เหนื่อยให้ทุกข์ไปเปล่าๆให้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอนี่แหละคือเรื่องที่พวกเราเข้ามาศึกษากัน เพื่อเราจะได้เอาสิ่งที่เราได้ศึกษานี้ไปบำเพ็ญกันต่อไปทำให้เกิดประโยชน์เพราะการศึกษาการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้ทำให้เกิดสมถะภาวนาขึ้นมาในใจยังไม่ได้เกิดวิปัสสนาภ า, าวนาขึ้นมาในใจเราต้องเอามาบำเพ็ญเอามาสร้างมันขึ้นมาให้มันอยู่ในใจของเราเช่นเอาพุโทโธเข้ามาในใจบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็เอามรณานุสติเข้ามา เอาอสุภะเข้ามาเอาหาเลยปฏิกรลสัญญาเข้ามาเอาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาเอาอาการสามสิบสองเข้ามาเนี่ยให้มันมาอยู่ในใจของเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการที่จะสั่งสอนจิตใจไม่ให้ลุกหลง ก, กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสอง เราก็จะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากมันพอเราไม่มีความอยากกิเลสคือความโลภกดหลงก็จะไม่มีกามะัตันหาภาวะตัตนหาวิภาวะตันหาก็จะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วใจก็จะไม่มีทุกข์ติดต่อไปใจก็จะมีความสุขไปตลอดดังนั้นขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อนำเอาไปปฏิบัต เพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากันก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติยิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเเปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยธามมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตาบายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีริษะนิจจางวุฒาปจายิโนจตารุธรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภละ ลาดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อจะได้ยิน ทั้งหมดคนฟังจะได้ยินคาถามแล้วได้ยินคำตอบอย่างชัดเจนมีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาน ะ, ะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้อ่าอยากจะถามหรือเอาเอาไม้ส่งมาอ่าเนี่ยนั่งที่เดินม น, นั่นแหละนั่งตรงนั้นอ่ะอย่ามาบังกล้องกำลังเปิดไม้แล้วก็พูดใกล้ๆปาก เเรียบพูดใกล้ๆปากเลยพูดเป็นเสียใกล้ๆปากน่ะาานามาสการพคุณเจ้าครับอ่าคือผมมีมีข้อสงสัยครับท่านคือคือที่ท่านบอกให้ถอนนี่คือผมก็พยายามถอนอยู่พูดดังๆหน่อยนะ <laughs> คืออย่างนี้ครับคือผมเป็นคนที่มันยังติดนิสัยอยู่ชอบ เป็นคนชอบพวกคำพยากรณ์การพยากรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วมันติดมันยึดมันถอนยังไม่ได้นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะถอนได้ก็เอาคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้สิพระพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอา่เอานี้ดีกว่าของจริงของแท้ของไม่ของไม่จริงกับไปติดนติดของจริงสิให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ที่ถึงการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละถ้าจะติดให้ติดตรงนี้เราจะเป็นวิปัสสนาจะเป็นปัญญาจะทำให้เราปรองจะทำให้เราปล่อยถ้าไปติดกับอของกลมันจะทำให้เรายึดเราติดแล้วจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวายใจต่อไปเป็นคำถามจาก a c e b o o k นะคะมีคุณแฮร์รี่นะคะทักเข้ามาจากเยอรมนีค่ะ สวัสดีครับพระอาจารย์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงฮันโลฟอนเจอร์มานีอ่สาธุสาธุคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะคำถามจากคุณรัติวงผมมีเรื่องทุกข์ใจคือใจคิดอกุศลคิดไม่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะลงโทษผมไหมครับพอผมคิดผมก็พยายามตัดใจ แต่ก็นำมาคิดอีกแล้วหลังจากนั้นผมก็ยกมือไหว้ขอขมาผมทำถูกหรือเปล่าครับก็ถ้าไม่คิดนะถูกถ้าคิดยังผิดอยู่ต่คิดแล้วขอขอมาก็ยังดีกว่าไม่ขอขอมาจะแสดงว่าเราสำนึกผิดในความคิดของเราต่อไปเราก็คงจะไม่คิดได้ถ้าทุกครั้งเราขอขอมาต่อไปเราก็จะ อาจจะไม่คิดถ้ายังคิดอยู่ก็ลองใช้พุโทโธหยุดมันเวลาจิตคิดจะคิดไปในทางอากุศลทั้งหลายก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแต่ก่อนที่เราจะใช้พุโทโธได้เราต้องมาหัดสร้างมันขึ้นมาก่อนเราต้องหัดบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนอย่ามาพุโทโธตอนที่เกิดอกุศลเพราะว่ามันจะหยุดไม่ได้เราต้องมาฝึกหัดหยุดใจก่อนที่มันจะที่จะเกิด ปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหามันคิดไปในทางไม่ดีเราก็จะได้หยุดมันได้เฉั้นหัดมันจ เ, รน จ, เรจริญสติเจริญพุทโธกันบริกรรมพุทโธไปเวลาอยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรหรือจะไปคิดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> นชนก็ให้มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะได้บริกรรมพุทโธพุทโธได้แล้วมันก็จะหยุดคิดได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่คิด คำถามจะคุณเอมิเวลานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหนูชอบขนลุกอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะก็เพราะนั่งสมาธิมันเป็นขนลุกนะก็พันปล่อยมันลุกไปนะมันไม่มีปัญหาเลยมีมีคนถามว่าท่าสี่เกิดจากอะไรครับท่าสี่มันก็เกิดจากท่าสีนะ่เนี่ยมันจะมาเกิดจากอะไร ธาตุดินมันก็มาจากดินธาตุน้าก็มาจากน้ำธาตุลมมันก็มาจากลมธาตุไฟมันก็มาจากไฟจะไปเกิดจากอะไรล่ะ เ, เจ้าเจาดินมาเป็นไฟได้ไงเอาไฟมาเป็นน้ำได้ยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไอ้ถามใปนเรื่องที่ไม่น่าจะถามเลยถามไปเสียเวลาเปล่าๆไอ้เรื่องเรามาเกิดได้ยังไงไม่ถามามาเกิดเพราะความอยาก การมตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาแล้วเกิดมาดีไม่ดีเกิดแล้วสุขหรือทุกข์น่าจะถามอย่างนี้มากกว่าอถ้ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพะต้องแก่ทุกข์เพาต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันก็อย่ากลับมาเกิดไม่ดีกว่าเหรอล่ะแล้วจะทําไงไม่ให้กลับมาเกิดก็หยุดตัณหาความอยากกามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาเราจะหยุดยังไงก็หยุดด้วยการภาวนาจิตตภาวนาอ อันนี้ก็ถามปัญหาอย่างนี้จะเกิดประโยชน์กว่าถามไปปัญหาที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จะถามไปทำไมคาถามจากคุณอติวัตรเกิดเท่ากับตายตายเท่ากับเกิดใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเกิดแล้วตายมันไม่ได so ้เท่ากันหรอกเกิด <esian> ก <reality> <t ahr 65> <heit> ับตายมันจะเท่ากันได้ไงเกิดก็คือเกิดตายก็คือตายมันมันไม่ได้เป็นเหมือนของมันเหมือนกันการเกิดก็อย่างหนึ่งการตายก็อย่าง การเกิดก็นำไปสู่การตายการตายก็นำไปสู่การเกิดใหม่เพราะแต่ยังมีกิเลสมีตัณหามีความอยากอยู่ใจที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ใจที่ต้องไปเกาะติดอยู่กับร่างกายที่ต้องเกิดต้องตาย <Jugend S 1> <plac off> ยังมีตัณหาอยู่ใจก็เลยไปเกาะไปเกาะร่างกายอันใหม่ร่างกาย night, <ๆ S 2> <ๆ>ที่เกิดมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวร่างกายที่เกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายไปพอร่างกายตายไปใจก็ไปเกาะร่างกายอันใหม่อีก เหมืเราเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆซื้อรถใหม่มาใช้สักพักเดี๋ยวมันเก่ามันพังแล้วก็ขายไปทิ้งไปซื้อรถใหม่ต่อรถใหม่ใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์ดีๆนี่เองที่ใจเราใช้ขับไปไปเที่ยวกันนะใจต้องมีตาหูจมจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็เลยต้องมีร่างกายพอร่างกายมันตายก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะมีอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะหยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายกต่อไปคำถามจาคุณณพลกำลังจิตอ่อนกำลังสมาธิอ่อน หากมีคนมาสอบจิตข้าพเจ้าบ่อยๆจะเกิดผลดีผลเสียอะไรไหมครับก็เหมือนสอบเนี่ยเราไปเรียนหนังสือเราก็ไปสอบกันใช่ไหมถ้าเราเตรียมตัวดีสอบบ่อยๆก็ดีถ้าเราพร้อมเราสอบเราก็ผ่านถ้าเราไม่พร้อมสอบมันก็ไม่ผ่านก็มีเท่านั้นเองจิตเราถ้าจิตเราอ่อนเวลาใครเข้ามาทดสอบจิตเราจิตเราก็สอบตกพอใครเข้ามาแหย่เราหน่อยเร า, าก็โกรธนะ พอเขาเอาอะไรมาล่อหน่อยก็โลภเราแสดงว่าเราสอบตกเพราะจิตเราตกแต่ถ้าจิตเราไม่ตกใครเอาอะไรมาแยเราเราก็เฉยใครเอาอะไรมาล่อเราเราก็เฉ ย, เ, ยเราก็ไม่สอบตกแล้วก็สอบผ่านคำถามจากคุณนุ้เวลานั่งสมาธิที่บ้านแผ่บุญให้เจ้าที่ได้ไหมครับมีหรือเปล่ากับเจ้าที่ก่อนจะแผ่ให้ใครรอหาคนที่มารอรับก่อน ถ้าไม่มีแล้วไปแผ่ให้เขาทําไมยังไม่เจอตัวเลยจะไปแผลแล้วชอบแผลแบบนี้เพราะแผลแบบแผลแบบไม่เสียเงินกันไอ้ที่แบบแผ่แบบเสียเงินนี่ไม่ยอมแผลกันเวลาใครเข้ามาอมาทวงหนี้เหล่านี้ไม่ยอมแผลให้เขานี่หนีอย่างเดียวพอเจ้านี่มาปั๊บหลบเลยนะพอเจอเจ้าที่ขึ้นมาแหมอยากจะแผลทันทีแผลมันก็ต้องมีอะไรให้เขาเสียไม่ใช่แผลด้วยปากเปล่า แผ่แผล้วแผ่ปากเปล่ามันได้อะไรหนึ่งคนรับก็ไม่มีสองสิ่งที่แผ่ก็ไม่มีมันก็เล่นเล่นลิเกหลอกตัวเองเท่านั้นแหละแผ่แบบนี้คำถามจะคุณชวนการเก็บเงินค่าเรียนพระที่มาสมัครเรียนภาษาชาวพุทธทําได้ไหมครับได้ไม่มีกฎหมายห้ามไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไหมแต่พระเจ้าไม่ได้สอนให้พระไปเรียนภาษาท่านเอง พระพุทธเจ้าสอนให้พระไปเรียนวิปั ส, สนาไปเรียนกรรมฐานอพระโง่เองพระพระหลงเองดีคนจะเก็บเยอะๆจะได้ไม่ไปจะได้กลับไปเรียนวิปั ส, สนากันไม่เรียนทำไมป ร, ริญญ ง, งป ร, ริญญาไปเรียนภาษากันทําไมนี่ไม่ใช่เป็นวิชาการศึกษาของพระวิชาการศึกษาของพระฟรีๆไม่เรียนกัน อะไรคือวิชาของพระก็ไต่สิกขาศีลสมาธิปรรัญญาอันนี้แหละเป็นวิชาที่มาบวชกันเพื่อมาเรียนกันที่เขารับเราเข้ามาเรียนเขารับรับเราเข้ามาเป็นพระก็เพื่อให้เรามาเรียนวิชานี้กันมาเรียนไต่สิกขามาเรียนศีลสมาธิปรรัญญาแต่นี่กลับไปสมัครเรียนที่โน่นที่นี่ไปไปเรียนปริญญาตีโถ่กันอย่างนี้ก็อย่ามาบวชอย่างนั้นก็ไม่ต้องบวชเพราะ อการเรียนปริญญาตีโทเอกนี่ไม่ต้องเป็นพระเป็นพระก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาเล่เาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาก็ต้องเอาเงินของญาติโยมไปจ่ายก็รบกวนญาติโยมอี่อันนี้ก็เป็นการหลงทางเป็นการเหมือนกับไปเรียนเข้าสมัครสอบเข้าวิศวะแล้วก็ไปเรียนวิชาศิลปะเงี้ยแล้วมันไปเรียนสมัครเข้าวิศวะหาอะไร มาบวชพระพุทธศาสนาก็เพื่อมาเรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไปเรียนภาษากัน <Yeah. S 1> แล้วมันมาเรียนมาบวชกันทำไมใช่ไหมคำถามจาก youtube live จากคุณปริญญาอยู่ที่ อ, อิสราเอลครับชัดแจว๋วฟังทุกวนันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ดีครับเป็นประเทศเท่าไหร่สิบสามเห็นไหมอ่าสิบสามแล้วนะ อ่าเป็นแล้เป็นสิบสี่แล้วอ่าอันนี้เก็บสถิติคนที่ติดตามชมทางถ่ายทอดสดอึงว่ามาจากประเทศไหนบ้างคำถามนะคะมีเพื่อนเจอปัญหาชีวิตครอบครัวผมแนะนำศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ที่วัดสมควรไหมครับอ้าวสมควรไม่สมควรก็ศึกษาก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์อย่าไปศึกษากับใครนะคาถามจากอินบอ์ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ทํางานผมจะจัดอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชการที่เก้าเป็นเวลาสิบห้าวันส่วนหนึ่งผมก็อยากบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามีวิธีการอื่นในการทําถวายเป็นพระราชกุศลได้เหมือนกันผมเคยบวชในสายวัดป่ามาแล้วขอกราบเรียนขอความเห็นพระอาจารย์ครับก็บวชทนวิธีไหนก็ได้แล้วแต่จะ จะถนัดจะทำได้ก็ทำไปบวชถวายก็ได้ปฏิบัติบูชาก็ได้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครตามโครงการต่างๆก็ได้ทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันคําำถามจากเฟ e บุ๊ k จากคุณจิติพัฒรับชมจากออสเตรเลียค่ะมีความตั้งใจบวชตลอดชีวิต แต่จะไม่มีโอกาสดูแลพ่อแม่จะผิดไหมคะเรื่องเรื่องพ่อแม่นี่ถ้าถ้าจะดูแลก็ดูแลได้พอพบตจ้าท่านก็อนุญาตอยู่แล้วเช่นอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตนี้ก็แบ่งให้พ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่ต้องอาศัยเราเลี้ยงดูเราไปบิณฑบาตเราก็ได้อาหารมาเราก็แบ่งอาหารที่เราได้จากบิณฑบาตนี้ไปให้พ่อแม่ได้ พระพเจ้ทาท่านไม่ได้ห้ามแต่ห้ามไม่ให้เอาไปให้คนอื่นให้พ่อแม่ได้จะให้คนอื่นก็ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนถ้าแบ่งกับพระแล้วเหลือเราจะาไปให้ใครก็ให้ได้แต่ถ้าเป็นพ่อแม่นี้ไม่ต้องเอามาแบ่งกับพระเอาไปให้พ่อแม่ได้เล ย, ยนั้นการบวชจริงๆก็ยังสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อยู่คาถามจะคุณบัญหารในการทาบุญหรือหลังภาวนาเสร็จ เราควรอธิษฐานว่าอะไรจึงจะไม่เป็นไปเพื่อความอยากคือคาว่าอธิษฐานมันไม่ได้เป็นความอยากอยู่แล้วคาว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งเป้าหมายเช่นเราวันนี้จะมาที่นี่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาวัดนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เดี๋ยวเพื่อนมาโทรมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นเราก็อาจจะไปกับเขาได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมาวัด ถึงแม้เพื่อนจะมาชวนเราเราก็บอกปฏิเสธเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาวัดแล้วอยงนั้นคำว่าทิฏฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นความอยากเป็นการตั้งเป้าเพื่อเราจะได้รู้ทิศทางที่เราจะต้องการจะไปว่าเราควรจะไปในทิศทางทางไหนเท่านั้นเองคำถามสกุณณพลเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นของยากไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ทั้งทางโลกหรือทางธรรม เราจะปรับทัศนคติภายในใจเราอย่างไรดีครับเพื่อให้เดินต่อไปได้แล้วรู้สึกว่าตนไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมคือของมันยากเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยยากแต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายเองยันใกล้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นมีรับชมจากรัสเซียคะ่ะ สิบห้าแล้วต้องต้องจดเวลาเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวซ้ำกันคำถามจากคุณบ๊อบบ้านสวยผมฝึกสมาธิมาสามปีแล้วเมื่อเราเข้าว่างได้แล้วทำอย่างไรต่อครับก็รักษาความว่างไว้ในใจเพราะความว่างนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเวลาใจว่างแล้วเราสบายเหมือนกับเราไม่ได้แบกอะไร เวลามีเรื่องราวต่างๆนี่มันเข้ามาในใจแล้วมันทําให้เราหนักอกหนักใจพอเราทําให้ม so ันว่างก็เหมือนกับเราเอาของหนักอกหนักใจออกไปจากใจของเราก็พยายามทําให้มันว่างเวลามันอะไรจะเข้ามาให้เราหนักอกหนักใจก็ทําให้มันว่างไปอย่าไปหนักอกหนักใจกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะว่ามันไม่เกินประโยชน์อะไรมันเป็นโทษมันทําให้เราหนักอกหนักใจทําให้เราไม่สบายใจ แต่ถ้าเราทําใจให้ว่างได้ใจเราจะเบาจะสบายจะเย็นจะมีความสุขคําถามสักคุณสารหอมตอนทําสมาธิใช้คําภวนาเกสาโลมานะขาทัานตาตาโจรวมกันได้ไหมครับได้ได้แต่ถ้าจะให้มันรวมนี้อาจจะต้องใช้คําเดียวถ้าใช้หลายคํานี้มันยังทําให้จิตมันขึ้นไปขึ้นมาตามอาการต่างๆอยู่ แต่ถ้าเราอยู่กับคำเดียวเกสาเกสาเกสาไปหรืออัถิอัติไปมันก็จะรวมได้มันต้องเป็นหนึ่งถ้ามันเป็นสองเป็นสามเช่นเป็นเกสาโลมาหน้าขาดันตาตัดโจมันก็จะทําให้ไม่ฟุง้งซ่านมันช่วยให้ใจไม่ไปคิดฟุ้งซ่านได้แต่มันจะไม่ทําให้รวมถ้าจะให้รวมมันต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเกษาเกสาไปโลมาโลมาไป มีจากโอซาก้าเกาหลีแล้วก็โอซาก้ามันญี่ปุ่นไม่ใช่หญี่ปุ่ น, นไม่รู้ต้องจดไว้แล้วเดี๋ยวจำไม่ได้แนะมีฝรั่งเศสด้วยวันววนะี้สิบเจ็ดแล้วนะใครยังไม่อยู่ในอันดับ <c oughs> ก็เชิญเข้ามาได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรสำคัญนะเพียงแต่ว่าอยากจะรู้เท่านั้นเอง จะรู้เข้าวๆจะได้อาไปโฆษณาขายขายโฆษณาได้ตอนนี้คําถามหมดนะคะมีข้อความจากคุณพระนางเงากวัวบอกว่าปฏิบัติและคิดอย่างที่ท่านสอนช่วยลดความอยากอาหารได้ดีค่ะเมื่อก่อนว่างก็นึกแต่เรื่องกินกินเพื่อคลายเครียดกินเพื่อความสนุกอืมใช่แล้วก็เลยกลายเป็นตุ่มไป <laughs> แล้วก็ต้องไปลดไขมันต้องไปเข้าฟิตเนสไปวิ่งไปเต้นในฟิตเนสใจก็ไปไปกินต่อยเพราะหิววิ่งแล้วเหนื่อยก็ไปกินต่อไม่รู้จะไปวิ่งให้มันเสียเวลาทำไมวิ่งเพื่อไปเอาไขามันออกพอเสร็จแล้วก็ไปเติมไขมันใหม่มันต้องใช้อาหารเลยปฏิกูและสัญญาอันเนี้ยไม่มีใครจะเด็ดไม่มีใครจะมีหมัดเด็ดเท่ากับพระพุทธเจ้าหมัดข อ, ของพระพุทธเจ้าแต่ละหมัดนี่กิเลนล้มไปหมดเลย อาหมาัดของพระพุทธเจ้ามาใช้เนะี่ยดีที่สุดถ้าอยากจะฆ่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่ากับท ร, ร ม, มาวุฒิธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสที่วิเศษที่สุดฆ่าได้บททุกชนิดมีจากสวีเดนค่ะบอกว่าสัญญาณดีมากค่ ะ, ะสิบแปดแล้วเหรออ่าสิบแปดแล้วค่ะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคําว่าปฏบิบัติบูชาได้บุญสูงสุด เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติจนหลุดพ้นได้จะบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในพุทธศาสนาไม่เสียชาติเกิดและจะสามารถเผยแผ่สืบต่อแก่นของพระพุทธศาสนาต่อไปคือช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนโยมคิดอย่างนี้ถูกไหมคะและหลักการนี้คือที่ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะ ถูกแล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะจากพวกเราไปก็าบอกแล้วจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเบื้องต้นก็ยังประโยชน์ของตนให้ได้ก่อนทําให้เราหลุดพ้นให้ได้ก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็ไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเองต่อเองเพราะเราจะสามารถสอนให้ผู้อื่นเขาหลุดพ้นได้ถ้าเรายังหลุดพ้นเองไม่ได้เราจะไปสอนผู้อื่นให้เขาหลุดพ้นได้อย่างไร เหมือนนักศึกษานี่จะไปเป็นอาจารย์ได้อย่างไรก็ต้องเรียนให้จบปริญญาก่อนพอจบปริญญาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาต่อไปได้ตอนนี้คำถามหมดค่ะอ่าดีวันนี้จากเฟซบุ๊มีสองร้อยหกสิบห้าคนคะ่ะสูงสุด ต, ตอนนี้เหลือสองร้อยสามสิบจากยูทูบสูงสิดสูงสุดสามสิบห้าตอนนี้เหลือยี่สบแปดอ่าก็มีถ่ายทอดสดทุกวันนะญาติโยมถ้าไม่ได้มาที่นี่ ก็สามารถเข้าไปในเฟ e บุ๊กก็ได้เข้าไปใน you tube ก็ได้ใช้ชื่อคาว่าพระสุชาติพระอาจารย์สุชาติ่ก็จะเข้าไปแล้วก็พอบ่ายสองโมงก็ทุกวันก็จะมีวันวันธรรมดาก็จะเปในรูปแบบหนึ่งจะเป็นแบบคุยกันจะไม่ได้เทศแบบที่เมื่อกี้เทศยาวๆเพราะบางทีมันไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยอาศัยการสนทนากันไปตอบโต้กันไปถามตอบกันไป แล้วมีประเด็นธรรมะอะไรขึ้นมาก็พูดต่อไปงั้นถ้าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดชมได้มีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้คำถามจาก Facebook Live จากคุณวชิระจิตคิดประมาทครูบาอาจารย์ต้องแก้อย่างไรครับยิ่งพยายามห้ามเหมือนยิ่งยุกก็ถ้าห้ามไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปก่อน ทุกครั้งที่มันจะประมาทก็พุโทโธพุโทโธไปเราถ้าอยากจะใช้หยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาตั้งโมคุณค่าของครูบาอาจารย์ว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเราเราเป็นเหมือนคนตาบอดครูบาอาจารย์เป็นเหมือนคนตาดีเราจะเดินทางไปได้อย่างค้่องค้าปลอดภัยไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่ดีที่เลิศได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระโสดสาวกเป็นผู้พาไปถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะไม่สามารถเดินไปสู่จุดหมายที่ดีที่งามได้แต่ถ้ามันยังไม่ยอมคิดมันอยากจะสบประมาทครูบาอาจารย์อยู่ก็ใช้พุทธโธหยุดมันไปก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการกระทําเป็นการคิดที่ไม่ดีเราก็หยุดมัน หยุมันไปทุกครั้งที่มันจะคิดไม่ดีก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปก่อนแล้วพอจิตมีความสงบก็มารับมาคิดถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเราจะรู้จักเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเราจะรู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรถ้าเราคิดบ่อยๆเข้าเราก็จะเห็นพระคุณของ ของครูบาอาจารย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะสบประมาทท่านอีกต่อไปจะมีแต่ความคลักมีแต่ความเคารพเพราะท่านเป็นเหมือนผู้ที่มาช่วยปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆของเราให้หมดไปจากใจถ้าเป็นนักโทษก็เป็นเหมือนท่านมาเปิดประตูห้องขังให้เราออกไปท่านให้สารภาพกับเราให้เรามีความสุข นี่เรายังมองไม่เห็นคุณค่าของท่านเพราะเราไม่ได้ศึกษาความความเป็นจริงของท่านว่าท่านเป็นอย่างไรคำถามจากคุณชาวลิศก่อนหลับภาวานาพุทโธพุทโธหลับวัยแต่ทําไมชอบฝันร้ายมากกว่าฝันดีครับเพราะว่าอดีตคงจะทําบาสมามากการทําบุญหรือทำบาสนี่มันแล้วมันจะมันมีเหมือนกับมีกล้องวิดีโอคอยอัดไว้เก็บไว้ในใจเรา พอเวลานอนเรานอนหลับมันก็จะเอามาฉายให้เราดูถ้าทำบาปมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีมาให้ปรากฏให้เราดูถ้าเราทำบุญก็จะมีแต่เรื่องดีๆมาปรากฏให้เราดูเหตุ<ม>นั้นก็พยายามทำความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความดีมันจะมีมากกว่าความชั่วมันก็จะเริ่มฝันดีฝันร้ายมันก็จะไม่ฝันนี่รับชมจากนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้ที่นั่นสามทุ่มครึ่งค่ะ นี่นี่นบ่ายสามโมงครึ่งห่างกันหกชั่วโมงอืมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีคําถามเพิ่มนะค ะ, ะจากคุณสมศรีเวลาเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมจะเลือกสถานที่ที่ใช้วิธีปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์ด้วยตัวเองในห้องกรรมฐานจําเป็นไหมคะจะต้องเลือกสถานที่ที่กําหนดให้เราต้องทําวัดเช้าเย็นกับหมู่คณะ มันขึ้นอยู่กับระดับการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรายังอยู่ในระดับที่ต้องอาศัยคนอื่นมาเป็นเครื่องประยุงให้เราได้ปฏิบัติเช่นเราปฏิบัติคนเดียวเองไม่ได้ไม่มีกําลังบังคับตัวเองก็จะต้องอาศัยไปปฏิบัติกับการเป็นกลุ่มก่อนก็มีกําหนดเวลาให้เราจะต้องปฏิบัติเช่นตื่นตีสี่ต้องลงไปนั่งสมาธิร่วมกันไปไหว้พระสดมันร่วมกันนี่ก็เป็นขั้น ถ้าเรายังอยู่ในขั้นนั้นการจะทําอย่างนั้นมันก็ช่วยเราได้แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่เราไปได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องมีใครมามาช่วยเราเราก็ปฏิบัติคนเดียวมันจะดีกว่าเพราะคนเดียวมันก็ไม่ต้องมากังวลกับคนอื่นไม่ต้องมามีปฏิสันฐานไม่ต้องมีการรับรู้มีความคิดปรุงแต่งกเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นไว้อยู่คนเดียวเงียบๆไปภาวนาของเรา เราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสงบได้มากกว่าได้เร็วกว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับะระดับการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนซึ่งเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราอยู่ในระดับอนุบาลเรียนอนุบาลมันก็ดีมี ม, ม, มีมีครูมีอะไรคอยดึงเราไปแต่ถ้าเราไปอยู่ระดับอุดมศึกษามันก็เราต้องดึงตัวเราเองนะเพราะครูบาอาจารย์ท่านจะไม่มาดึงเราแล้ว อ, อันนั้นก็อยู่ที่ ตัวเราว่าเราอยู่ระดับไหนเหมาะเหมาะกับการปฏิบัติแบบไหนเราก็เอาการปฏิบัติแบบนั้นไปคำถามต่อเรื่องเรื่องความฝันนะคะจากคุณจิติพัฒนแล้วพวกที่แทบจะไม่ฝันเลยล่ะคะก็อาจจะเป็นพวกที่นั่งสมาธิกันจิตสงบมากๆก็ไม่ค่อยฝันกันพวกที่ไม่ได้ไปทำบาปทำบุญกันมีแต่ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาให้ฝันมันมีแต่ มีแต่เดินไปเดินมานั่งคนเดียวเอมันก็ไม่มีเรื่องมีราวหรือว่าบางทีเราฝันแล้วเราจําไม่ได้ก็ได้บางทีฝันปั๊บพอตื่นขึ้นมาลืมไปเลยลืมไปว่าเราฝันเรื่องอะไรก็ได้เฉะนั้นการที่ว่าเราไม่ฝันนี่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะฝันแต่เพียงแต่ว่ามันมันลืมไปพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันหายไปเลยเฉนั้นอย่าไปถือเรื่องฝันเป็นประเด็นอะไรมากมายก็แล้วกันะ เราจะฝันไม่ฝันก็มันเป็นเรื่องของวิบากครับแล้วกันขอให้เรามาให้ความสําคัญกับเรื่องของเหตุคือเรื่องของการทําบุญทําบาปจะดีกว่านพยายามทําบุญไปพยายามละบาปไปแล้วรับรองได้ว่าถ้าฝันมันก็จะฝันดีหรือไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะไม่ฝันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม สามารถนั่งสมาธิและฟังธรรมหลายๆชั่วโมงได้หรือเปล่าคะเพราะรู้สึกสงบดีได้ทําทั้งวันเลยทําสลับกันฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราอยู่คนเดียวได้ทําใจให้เราสงบได้แล้วเราก็สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทําสลับกันไปเดินบ้างนั่งบ้างฟังบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่อย่าทำปนกัน เช่นถ้านั่งฟังธรรมก็ตั้งใจฟังไม่ต้องไปพุทธโทไม่ต้องไปดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิเราก็อย่าฟังธรรมดูลมหายใจไปพุทธโทไปเวลานั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็อาจจ ะ, จะเจริญสติ ด, ดูพุโทโธพุโทโธไปหรือดูเท้าไป ถ้าเราอยู่ขั้นปัญญาก็พิจารณาธรรมได้เลยพิจารณาอสุภะไปพิจารณาอาการสามสิบสองไปพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลและสัญญาไปสิ่งที่เราต้องการก็คือความรู้เหล่านี้ให้มันฝังอยู่ในใจเราถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วมันจะกําจัดกิเลสตัณหาได้ที่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาเพราะไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในใจมีแต่ของสวยๆงามๆ ม, มีแต่ของน่ากินน่าใช้มันก็เลยอยากมันก็เลยน้ําลายไหล ท, ทุกครั้งที่ความคิดเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเเราต้องการเอาความคิดที่จะทําให้เราไม่อยากทําให้เห็นแล้วไม่อยากกิ น, นทำแล้วไม่อยากาไม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเราต้องเอาวิปัสสนาเอาความจริงเข้ามาสอนใจอยู่เรื่อย คำถามจะคุณตุลคำเวลาที่นั่งสมาธิฟังเทศจําสิ่งที่ฟังไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่านิ่งเฉยๆขอคําแนะนําค่ะ อ, อ๋อนั่นเป็นเพราะว่าเราฟังเพื่อให้จิตสงบเราไม่ได้ฟังด้วยการพิจารณาการที่เราจะจำํำทำที่เราฟังได้ก็คือการพิจารณาตามเวลาท่านแสดงอะไรแล้วเราก็พิจารณาตามพอเราเข้าใจเราก็จะจําได้ใช่วันนี้เราฟังอะไรแล้วเราเข้าใจเราก็จะจําได้ เช่นวันนี้จําเรื่องจําเรื่องกรรมฐานสี่สิบได้แล้วว่ากรรมฐานสี่สมีไว้ทําไมฮะกรรมฐานสี่สิบก็คือเป็นที่ตั้งของของงานของใจ <c oughs> ไม่ต้องไปจดไปจำเวลานั่งฟังฟังให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราเว <c oughs> ลามันก็จะไม่ลืมมันจะเป็นปัญญาปัญญานี้ไม่ใช่สัญญามันจะไม่ลืมแต่ถ้าเรามาคอยนั่งแล้วฟังหรือบางทีนั่งไปแล้วจดไปเขียนไปนี่ พอเวลากลับมาอ่านใหม่ที่หลังเราก็จำเราก็ไม่เข้าใจเราก็จะลืมไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกัวงวลกับเรื่องการจําได้หรือจําไม่ได้เวลานั่งฟังขอให้มีสติอยู่กับการฟังแล้วแล้วแต่จิตของเราว่าฟังแบบไหนฟังแบบฟังเสียงอย่างเดียวไม่ไปคิดตามมันก็จะสงบถ้าฟังแล้วพิจารณาเหตุผลที่แสดงมันก็จะเป็นปัญญาแล้วพอมันเข้าใจมันก็จะจําได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าชาตินี้เราฟังธรรมเรื่อยๆและปฏิบัติบูชาจนเป็นนิสัยแต่ยังไม่บรรลุเกิดใหม่ถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์แล้วธรรมะที่ฟังมาแต่ก่อนจะฝังในจิตใจเราและออกมาสอนเราเองได้ไหมคะก็คงจะได้บ้างแต่จะไม่ไม่เหมือนกับที่เราได้บรรลุธรรมเพราะว่ามันก็ยังเป็นความความรู้ที่มันยังไม่ได้ เข้าไปลึกในสันดานเรามันก็อาจจะมีบ้างอาจจะไม่มีบ้างเช่นพวกเราที่มาเกิดนี่เราก็ยังมีการปฏิบัติที่เราติดมาเป็นนิสัยอยู่ทำไมเรามาวัดกันทำไมเรามาฟังเทศฟังธรรมกันก็เพราะว่าในอดีตชาติเราเคยมีนิสัยอย่างนี้มาก็ได้ทำไมเราไม่ไปเข้าบากันทำไมเราไม่ไปบ่อนกันทำไมเราไม่ไปเที่ยวกันก็เพราะว่า นิสัยเดิมของเราเราเคยมาทางนี้ก็ได้แต่จะมาบ่อยไม่บ่อยก็อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีมาบ้างไปเที่ยวบ้างเข้าบอเข้าบ้าบ้างเข้าบ่อนบ้างเอามันทุกอย่างคำถามจากคุณอยากเป็นนางฟ้าโยมรู้สึกผิดในใจที่เหมือนจะในรคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับครูอาจารย์ เนื่องด้วยท่านติดตามโยมมาที่บ้านในยามเย็นโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือนิมนต์และตามไปที่วัดที่โยมไปร่วมปฏิบัติธรรมค่ะจึงหยุดการสื่อสาร อ, อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าไม่เหมาะสมแล้วน่าจะน่าจะกังวลหรือน่าจ ะ, ะหวาดระแวงได้แล้วว่าเจตนาของท่านคงจะไม่ไม่เป็นเจตนาที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าตามปกติแล้วครูบาอาจารย์นี้ไม่ควรที่จะไปตาม หาลูกศิษยลูกหาโดยเฉพาะเป็นเพศตรงกันข้ามมีจากสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าทำงานตอนกลางคืนกลางวันนอนแล้วตื่นมาฟังทำทุกวันครับวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรสักอย่างพระอาจารย์สอนดีครับดีสาธุมีกำลังใจข้นอีงนิดนึง <laughs> <c oughs> คำถามจากคุณชาวลิศ นอนภาวนาโอกาสจะบรรลุธรรมน้อยมากใช่ไหมครับใช่มันจะหลับซะมากกว่าเป็นท่าสบายตอนนี้คำถามหมดค่ะพระอาจารย์ดีแล้วลน่าจะพอแล้วนะมีใครอยากจะถามเพิ่ ม, มเติมไหมมีข้อความก็เขียนมาอยู่ว่าเวลาที่จะเลิกกันนี้อย่าเพิ่งตัดสัญญาณได้ไหมรอใ ห, ให้หลวงพ่อให้พรให้เสร็จก่อนรู้สึกว่าจะตัดไปก่อนที่เราจะ จะจบคำให้พรยังไงไม่ทราบเราก็ไม่ได้ให้พรเลยตียงแต่ให้พรสั้นๆอันีนนเห็นคนเขาเขียนข้อความมาว่าอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดขอขอรับพรก่อน <laughs> <laughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถออ่าตอนนี้ตัดได้นะ <laughs>